ที่นี้กล่าวถึงว่านางปฏิบัติอย่างไรเนาะจึงได้บรรลุนะตรงนี้คือคือสิ่งที่ที่ควรจะสนใจเป็นพิเศษเลยใช่ไหมว่าท่านดำเนินปฏิปทาอย่างไรจึงได้บรรลุท่านบอกว่าพอท่านบวชเนี่ยนะโดยการพิจารณาสรีระของตนที่คร่ำคร่าเพราะชราจึงสังเวชนั่นนะเมื่อจะชี้แจงถึงความที่สังขารไม่เที่ยงอย่างเดียว นะคือเป็นคนเรียกว่าคิดแต่เรื่องแก่อย่างเดียวแล้วบรรลุะกล่าวว่านะไล่ทุกส่วนในร่างกายแต่ก่อนผมของข้าพเจ้ามีสีดําเหมือนสีแมลงผู้มีปลายงอนเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ผมเหล่านั้นก็กลายเสมือนป่านตอเพราะชราเนี่ยนะเล่มจารเกตสนใจเลยเล่มห้าสิบสีอ๋อจะได้เอาไปคิดตามได้นะคิดง่ายดีนะส่องกระจกแล้วคิดตามเลยอ่ะนะ บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมของข้าพเจ้าเนี่ยสีดำเหมือนแมลงผู้นะปลายก็งอนขึ้นใช่ไหมดูงามมากเลยเดี๋ยวนี้ผมเหล่านั้นก็กลายเสมือนป่านผ้าป่านนะนะกระสอบป่านป่านตอพราะชร า, านะพระดำรัสของพระพุทธของพระชินเจ้าตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรผันเป็นอื่น คำนี้นะประกาศอริยสัจอยู่ในตัวนะถ้าสังเกตให้ดีผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเพราะชราใช่หอันนี้ประกาศอรศิยสัจทุกขสัจจะว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละพระดำรัตของพระพุทธเจ้าอันนี้หมายถึงอะไรพระปริยติธรรมใช่ไที่ชี้ชัดโลกุตระธรรมพระพุทธเจ้าก็คือผู้ตรัสรู้อริยสัจนะ พุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสเนี่ยเป็นสัจธรรมพมันชราเนี่ยเป็นของที่เป็นที่เป็นความจริงจริงๆสังขารทั้งหลายที่ที่เกิดมาแล้วก็มีความชราเป็นสภาวะเนี่ยนะถ้าประกาศถึงชราเนี่ยนะก็เท่ากับประกาศอนิจจารักษณะใช่ไหมในนี้บอกว่าอนิจจารักษณะถ้ากล่าวอนิจจารักษณะก็เท่ากับกล่าวการละตันหาแล้วละตันหาละมานะแล้ว แล้วจะต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอัชาราเป็นอารมณ์อันนะั้นคืออันนั้นคือพระนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าถ้าดูให้ดีๆแล้วเพ่งให้ดีๆเนี่ยนะคเหล่านี้มันเป็นคำพูดที่ที่คนเห็นอริยสัจเขาพูดกันเนี่ยนะเพราะว่าของเราก็เห็นผมมันเปลี่ยนไปใช่ไหมแต่เราก็คิดมันธรรมดาไอ้ธรรมดาของเราอ่ะนะไม่ใช่ธรรมดาแบบของพระอริยะท่านคิดอ่ะนะ แต่ก่อนมวยผมของข้าพเจ้าก็เต็มด้วยดอกไม้ของหอมแล้วก็หอมกลุ่นด้วยนะก็เขาอบดอกไม้กันนะอบดอกไม้ให้ผมหอมเหมือนพออบที่อบกลิ่นเดี๋ยวนี้ผมนั้นกล่นเหมือนขนแพะเพราะฉาราพ้าลรารัดของพระพุทธเจ้าตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นนาคิดนะบอกว่าเหมือนขนแพะเลยนะท่านก็เปรียบนะว่ากล่นมันไม่ได้น่า ก็ลองไม่ซักหมอนเนื้อนะใช้หมอนตลอดไปแล้วไม่ยอมซักดูนะดูกลิ่นจะเปไน็นไงคุณผู้ชมควรมันกลิ่นควรเป็นแบบไหนไม่น่าปาถ น, <laughs> น, นาเลยนะเอามาหอมแล้วก็เอามาแทบเป็นลมเลยแหละแต่ก่อนผมของข้าพเจ้าเนี่ยดกงามด้วยปลายที่รวบไว้ด้วยหวีแล้วก็เข็มเสียบเหมือนป่าไม้ทึบที่ปลูกเอาไว้เป็นระเบียบนะเมื่อก่อนนี้ผมดกงามมาก แต่เดี๋ยวนี้ผมนั้นบางๆลงในที่นั้นๆเพราะชราบางไปเยอะเนี่ยนะพระดำรัสของพระพุทธเจ้าพูดตรัแตกความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปลเป็นอื่นนะนั้นใครที่สาธยาอาการ32ไว้มากๆนะพิจารณาตามสูตรนี้จะไม่สู้ยากนักใช่ไหมโอ้ผมเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะเมื่อก่อนดกกว่านี้เยอะเนี่ยนะอามาก็มีคนทักบางคนบอกว่าดูล้านไปเยอะแล้วนะว่าบอกงั้น เอปูดกระทบกันเนี่ไแต่ก็เขาก็พูดความจริงอ่ะนะก็เป็นอย่างนี้แหละนี่ยนะการสอนเองดีนะปากกว้าอืมอะไรก็มันล้านนั่นแหละอยากบอกเขาจะบอกว่ามันล้านแล้วอ่างนั้นนั่นก็ผมมันก็บางๆลงอ่ะเนี่ยก็หลายๆคนเนี่ยเมื่อก่อนนี้ผมดกกวันนี้เลยใช่ไหมตอนหลังก็โอ้บางไปเยอะเนี่ยนะ ไม่ค่อยลําบากวีเลยก็มีมีคนหนึ่งนะก็มีเออมันล้านมากอะ่ะเสร็จแล้วก็มีมีมวยผมอยู่หน่อยเดียวบนข้างเนี่ยนะแล้วเขาก็พยายามเอามาปิดข้างบนอันนั้นอันที่มันล้านเอาไว้หน้าดูเลยพยายามมาปิดถ้ามันตกไปนะเขาก็เก็บมาขึ้นแล้วมาปิดโอโ้ดูเหมือนกับว่างานนี่มันสาระของเขาที่สุดเลยนะเขาระวังเรื่องนี้ที่สุดเรื่องอื่นๆเขาไม่ค่อยสนใจหรอกอนะนะเป็นโยมคนหนึ่งอันนะข่าวที่แล้วไปอินเดียด้วยกัน ง ม, มานั่งดูแกเรื่อยนัแกก็ดูแกจะทํำยังไงแกก็ภาระของแกก็คือเนี่ยแต่งไอ้ผมอยู่ๆกระจุกนิดเดียวเนี่ยไม่ไม่ไม่ถึงร้อยเส้นดีหรอกแล้วก็พยายามเอามาโปะไอ้ตรงที่มันล้านเข้าไว้โปะที่มันล้านเข้าไว้อันนี้ในหนึ่งนะอีกเจ้าหนึ่งนะคนขับรถแขกนะเขาก็เขาก็หวีผมอนะหวีพวกเขามามวยแล้วก็มุ่นแล้วก็มัดแนละที่เหลือเขาก็มาแต่งไอ้หนวดเคราเ้ายาวในชะ่ไหม เขก็วีหนวดเขาวิ่แล้วก็มาบิดมาบิดมาบิดกันหน้าดูยวเลยนะสีขาวหมดแล้วล่ะก็ขยันมากเลยนะก็บอกว่าแต่ก่อนมวยผมเนี่ยดําประดับด้วยทองนประดับด้วยช้องผมอย่างดีสวยงามเดี๋ยวนี้มวยผมนั้นก็ร่วงเปลี่ยนเอะไก็ มวยผมนั้นนะ่ะก็ร่วงเลี่ยนไปทั้งศีรษะเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าพูดตัดแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปลเป็นอย่างอื่นเอ๊ะนี่เเอาเรื่องผมมาคิดก็คิดได้นานเหมือนกันนะเคยวิธีคิดก็เปรียบกับอดีตนะว่ามันไม่เหมือนอดีตแล้วตอนนี้มันชราแล้วเนี่ยนะกนะ็คิดอย่างนี้ใครเชื่อไหมว่านี่คือการเจริญวิปัสนาอ่นะนี่นะคือการเจริญวิปัสนา ก็วิธีเจริญวิปัสนาเนี่ยนะหลายๆท่านในที่นี้ไม่ต้องไปหนักใจแล้วเอาเรื่องนี้ไปคิดเยอะๆ เ, เถอะอนะเรียนธรรมะไม่ได้ลึกซึ้งก็ไปคิดเรื่องนี้ให้มันมากๆเข้าไว้ก็แล้วกันคุณบุญมีเอาเรื่องนี้ไปคิดเยอะๆก็แล้วกันนะนะแต่ยอมมาก็เลยนะก็ ม, ม, มันไม่เป็นไรมันก็ทีจารณาได้เดี๋ยวโคลมันก็เริ่มกระดำกระดังมาเรื่อยๆรืๆเรื่อยๆ ในที่สุดก็ขาวโพรโนิกเป็นพญาผมขาวแล้วกันนี้อันนี้นี่เกษาสจบแล้วใช่ไหมต่อด้วยกรรมฐานอะไรอีกลโรมานะต่อด้วยโลมาว่าแต่ก่อนคิ้วของข้าพเจ้านี่สวยงามคล้ายรอยเขียนที่จิตตกรบัรจงเขียนจิตตกรผู้ฉลาดนี่เขียนคิ้วได้งามเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นห้อยย่นลงมาเพราะชราเนี่ยนะ คิ้วนี่ย่นลงมาเลยนะแทบจะมาปิดตาไปหมดเลยนะถ้าเป็นอะไรนะถ้าเป็นดูหนังอะ่ะหลวงจีนหรือหลวงญี่ปุ่นเนี่ยนะถ้าจีนพระญี่ปุ่นเขาไม่โกนคิ้วใช่ไหมพัน้าแก่ลงมาเนี่ยคิ้วนี่มันย่นลงมานะมาปิดแทบจะปิดตาไปหมดเลยนะย่นลงมาหมดเลยพระดํารัสของพระพุทธเจ้าพูดตรัสแต่ความจริงเป็นคําจริงแท้ไม่แปลเป็นอื่น ถ้าสมัยใหม่ก็คิดอย่างนี้นะโอ้เมื่อก่อนคิ้วของข้าพเจ้านี่ดกงามมากตอนนี้ต้องเอาดินสอมาเขียนขึ้นนะนะก็สามารถพิจารณาได้อย่างเนี้ยนะจะได้สังเวกับวัตถุเป็นอย่างดีเลยเนะ้ก็นี่คือการเจริญวิปัสสนาพาะะนันต่อไปนะเขียนคิ้วแล้วก็ได้กรรมาฐานไปด้วยในชะ่ไหมแต่งคิ้วก็ได้กรรมฐานไปด้วยในขณะเดียวกั น, นะนะเนี่ยนะอวิปัสสนานีนเจริญไม่ยาก อย่าลืมนะเข้าพิจารณาจบนางอัมพปาลีบรลุเป็นพระอรหันนะวิธีการอันนี้อย่าไปดูถูกดูหมิ่นเช่ล่ะเห็นไหเพราะว่าอ ม, มาตะนิพานก็อยู่แถวแถวผมขนเล็บฟันหนังใช่ไหมเออถ้ารู้จริงเนี่ยอ ม, มาตะนิพานก็อยู่แถวแถ ว, แถวแนี้นี่แหละทีนี้ถ้าลงคิ้วเสร็จก็ขนตาก็ถือว่ากล่าวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่ก็มาดูอะไรดวงตาแต่ก่อนดวงตาทั้งคู่ของ ข, องข้าพาเจ้าเนี่ยดำคลับ มีประกายงามคล้ายแหวนมณีโตาสวยมากเลยนะเดี๋ยวนี้ถูกชราทำลายเสียแล้วจึงไม่งามพระดำรัสของพระพุทธเจ้าพูดตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นใช่หครับพูดแบบตานะแบบโอ้ยเมื่อก่อนนะเขาเนี่ยคนอื่นเขาอยากจะมาดูตาเรามากเลยนะอยากจะนั่งจ้องตามากๆเลยแหละตอนนี้เขาเห็นแล้วก็รีบหลบตาทันทีเลยนะเพราะเขากลัวตาชราอนั้น ถ้าชราด้วยนะมันก็ไม่สวยอยู่แล้วใช่ไหมถ้ามีโทสะเป็นสมุทฐานด้วยตานั้นจะเป็นยังไงนะโอ้หน้ากลัวมากเลยแหละมันก็ถ้ารู้เรื่องตาดีนะก็มาคิดโอเมื่อก่อนมันเห็นชัดกว่า น, นี้ตอนนี้ก็ไม่ชัดแล้วเนี่ยนะเมื่อก่อนก็ดูสดใสไปหมดตอนนี้มันก็มัวไปหมดยังไงก็อันนี้ก็พิจารณาอย่างนี้ให้มากๆากก็แล้วกันแล้วระลึวลกว่าออพระ อ, องค์นี่ยตรัสสิ่งเหล่านี้เป็นความความจริงความแท้ เมื่อก่อนเมื่อวัยสาวจมูกของข้าพเจ้าเนี่ยโด่งงามเหมือนเกลียวหรดาลเดี๋ยวนี้กลับเหี่ยวแฟบเพราะชราพระนํารัดของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเนี่ยนะเป็นคําจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นนะก็แสดงว่าคนสวยๆก็มีความสุขในการแต่งตัวมากเลยนะเพราะชราเข้าไปแล้วมันไม่ค่อยกระจกเรียกกระจกมันศัตรูหรือไงกันแน่นะเอาแบบที่เรียกว่าใน เรื่องโบราณก็เล่าว่ามีช่างกระจกคนหนึ่งเอากระจกไปถวายพระราชาใช่ไหมพระราชาก็เห็นกระจกเข้าก็เลยดูมาส่องดูหน้าตัวเองเลยบอกเอามันไปตัดหัวนะเอาช่างกระจกไปตัดหัวบอกเอารูปยักษ์มารที่ไหนมาให้ดูอย่างนั้นนี้ก็ช่างคนนี้เขาก็จะปรึกษากับเสนาบดีเสนาบดีก็บอกว่าเอาอย่างนี้นะเอากระจกอันนั้นะไปเขียนรูปงามที่สุดเขียนรูปเทวดาไว้เลย แล้วไปถวายวันนั่นรูปของพระ อ, องค์พระเจ้าขา่างมงั้นเออเารางวันไปให้มันตอนหลังได้รางวันแทนเนี่ยน ะ, ะก็ถ้าดูดีๆแล้วก็เนี่ยนะมันเปลี่ยนไปทุกทุกอันทุกอันมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละทีนี้ก็ถ้าจมูกแล้วก็ต่อด้วยอะไรตอนแรกตาลงมาก็ไล่เป็นจมูกอันนั้นก็ข้างๆจมูกคืออะไร <Okay. S 1> ก็หูอ น, นีว่าแต่ก่อน ใบหูทั้งสองของข้าพเจ้าเนี่ยสวยงามเหมือนตุ้มหูที่ช่างทาอย่างประณีตเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นห้อยแล้วก็ย่นลงมาเพราะชราพระนำร้ำหัดของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นเนี่ยนะเมื่อก่อนหูสวยกว่านี้เยอะนะตอนนี้ก็แย่และทีนี้ก็ล่างกว่าหูอีกหน่อยก็ลงไปลึกก็เป็นฟันใช่ไหม แต่ก่อนฟันของข้าพเจ้านี่สวยงามเหมือนหน่อตูมของต้นกล้วยเดี๋ยวนี้กลับหักดําเพราะชราพระดํารัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคําจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นคิดดูนะของเราเราทั้งหลายเนี่ยนะถ้าไม่มีทันตแพทย์แบบสมัยนี้นะแต่ละคนจะเป็นยังไงอะคิดดูนะนะนะพวกการนี่จะไปควรจะเป็นยังไงนะถ้าไม่มีทันตแพทย์นะนไม่มีอาจารย์ประโมทอยู่ตรงเนี้ยนะอ่านะ <laughs> แล้วก็ถ้าไม่มีธรรมแพทย์นี่ยสงสัยหลายๆท่านในที่นี้อาจจะดูไม่ค่อยได้เลยนะแก้มต่อไปเยอะเลยแหละแล้วก็ฟันมันก็เป็นอย่างนั้นนะต่อไปบอกว่าแต่ก่อนข้าพเจ้าพูดเสียงไพเราะนะพอพูดปากก็เสียงที่ออกมาทางคอใช่ไหมเมื่อก่อนนี่ยข้าพเจ้าพูดเสียงไพเราะเหมือนนกดูว่าที่มีปกติเที่ยวไปในภัยสนในป่าใหญ่ส่งเสียงร้องไพเราะ น, น, นะนะเมื่อก่อนเน่ยเสียงเพราะมากเลยนะ เดี๋ยวนี้คําพูดของข้าพเจ้าก็พูดพลาดเพี้ยนไปในที่นั้นๆเพราะชราพระดํารัสของพระพุทธเจ้าผูต้ตรัสแต่ความจริงเป็นคําจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่น น, นะพูดเพี้ยนด้วยแล้วเสียงมันก็สั่นด้วยใช่ไหมแหบด้วยเครือด้วยนะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหอยากฟังเสียงมากเลยใช่ไหมตอนหลังไม่อยากฟังแล้วอย่างเงี้ก็เสียงมันเปลี่ยนไปนะเมื่อก่อนเสียงดีกว่านี้เสียงเพราะกว่านี้เนี่ยนะตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว ทีนี้ก็ไล่ลงมานะถึงคอแต่ก่อนคอของข้าพเจ้าสวยงามกลมเกลี้ยงเหมือนสังขัดเกลย้ยงเกลาดีแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นงุ้มค้อมลงเพราะชราเนี่ยนะเมื่อก่อนคอมันก็ตั้งตรงอ่ะ น, นี่ก็งุ้มลงอะ่ะพระดํารัสของพระพุทธเจ้าผูต้ตรัสแต่ความจรงิงเป็นคําจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นทีนี้ก็พอจบคอก็มาแขนมัง แต่ก่อนแขนทั้งสองของข้าพเจ้าสวยงามเปรียบเหมือนไม้กรอนกลมกลึงนะเี่เดี๋ยวนี้กลายเป็นรีบเหมือนกิ่งแคคดเพราะชรากิ่งแคนะแกกิ่งแคแล้วมันคดด้วยไอิอันนี้แสดงว่าคข้าก็อยากจะบอกว่ามันตกกระด้วยนั่นแหละอันนี้ว่ากิ่งแคมันไม่ได้เลี่ยมเหมือนแบบทาเชละอะไรที่ไหนหรอกอนะมันก็มีสเก็ดสเก็ดใช่ไหมนั่นแหละก็เลยเรียกว่า รีบเหมือนกิ่งแคคดเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นเนี่ยนะโอ้เจริญวิปัสสนานั่งสำรวจร่างกายตัวเองเนี่ยนะสำรวจตั้งกับตั้งกัผมจรดปลายเท้าเนี่ยนะสำรวจขึ้นสำรว จ, รว จ, รว จ, รวจลงวันละเจ็ดรอบนี่ก็ได้ไปเยอะแล้วนะนอะไร น, นะนน ท, นทำไมอะ เอาไปเอาอันนี้ไม่ยากค่ะอันนี้เอาไปอ่านให้อ่านอ่านแล้วก็มีคนฟังให้ด้วย <c oughs> <c oughs> แสดงว่า ม, มีมีสหธรรมิกะตอนนี้นะอ่ะดีล้ทีนี้ก็พอแขนลงมาก็ไปถึงมือบ้างว่าแต่ก่อนนะั้นมือทั้งสองของข้าพเจ้าสวยงามประดับด้วยแหวนทองงามระยับเดี๋ยวนี้กลายเป็นเสมือนเงามันเพราะชรา <c oughs> เหมือนเงามันเลยนะ พระธรรัดของพระพุทธเจ้าพูดตรัสแต่ความจริงเป็นคําจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่น น, นะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยคือนิ้วนิ้ ว, วมือเนี่ยนะบางคนเนี่ยสวยมากมเลยนะเหมือนเขาบอกว่าเหมือนลําเทียนอ่ะนะดูสวยมากเลยแต่ว่าผ่านไปสักห้สิบปีผ่านไปเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นก็ดูลําบากเลยแหละนะทำใจลําบากมากๆเลย แต่ก่อนถานทั้งสองของข้าพเจ้าก็อวบอัดกลมกลึงประชิดกันแล้วก็งอนสล้างสวยงามเดี๋ยวนี้กลายเป็นยนย่ย น, น, นเดี๋ยวนี้กลายเป็นหย่อนยานเหมือนถุงหนังที่ไม่มีน้ำเพราะชราเคยเห็นของยายไหมของอุ้ยสมัยโบราณนนะนะไม่ค่อยใส่เสื้อเลยนะอุ้ยในะอย่างนั้นแหละพระดำรัดของพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปลเป็นอื่น ไม้ก่อนอยู่บ้านเดียวกับย่านะย่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะนะเหมือนถุงหนังที่ไม่มีน้ําจริงๆเลยนะแต่ก่อนกายของข้าพเจ้านี้เกลี้ยงเกลาดังแผ่นทองเนี่ยนะแสดงคนสวยมากเลยนะลําตัวเนี่ยเหมือนทองเลยสวยงามเดี๋ยวนี้กลายเป็นสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นอันละเอียดเพราะชราเนี่ยนะนะพระดรำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคําจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่น น้ำกลายใจเนี่ยสูตรนี้เอาไปเจริญนิปัสนาได้แล้ไม่ต้องไปเรียนอะไรลึกซึ้งหรอกเนี่ยสูตรนี่แหละ น, นะไม่แน่นะอาจจะได้อภินญาหกนะคิดอย่างนี้มากๆอะ่ะนางอัมพปาลีได้อภินญาหกนะคิดเรื่องนี้อจะไปว่าธรรมดาจะละนั่นนะปฏิสัมพิธาอีกต่างหากนะแต่ก่อนขาอ่อนของข้าพเจ้าทั้งสองข้างเนี่ยสวยงามเปรียบเหมือนงวงช้างเดี๋ยวนี้กลายเป็นเหมือนข้อไม้ไผ่เพราะชรา พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นแต่ก่อนแข้งทั้งสองของข้าพเจ้าประดับด้วยกําไรทองเกลี้ยงเกลาวสวยงามเดี๋ยวนี้กลายเป็นเหมือนต้นขาขาดไอ้ขอไเหมือนต้นงาขาดเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่น ต้นงาขาดเนี่ยนะคือต้นงาเนี่ยมันต้นมันเป็นออกเหลี่ยมเรียมนะถ้าต้นงาจริงๆเนี่ยต้นมันจะเป็นเหลียมเรียมใช่ไหมเหมือนเหมือนต้นอะไรดีเห็นเห็นนะแต่ว่าต้นมันเออเหมือนต้นกระเจี๊ยบอ่ะนะนต้นกระเจี๊ยบได้กับต้นงางั้นเหมือนเหมือนกันนั่นแหละอ่ะแสดงว่าเมื่อก่อนขาสวยมากแข้งสวยมากนะตอนหลังไม่ใช่แล้วเพราะว่าถ้าถ้าคนผอมด้วยใช่ไหมกระดูกมันก็โปนออกมามันก็เป็นเรียมเรียมอ่ะนะมันก็ดูตะปุ่มตะปำเป็นเหลี่ยมไปหมด แต่ก่อนเท้าทั้งสองของข้าพเจ้าสวยงามเปรียบเสมือนรองเท้าหุ้มปุยนุ่นเดี๋ยวนี้แตกเป็นริ้วรอยเพราะชราบางคนเนี่ยฝ่าเท้านะฝ่าเท้าเนี่ยแตกมากมเลยนะคนสูงอายุบางคนเนี่ยฝ่าเท้าแตกเยอะนะแตกจนต้องทาน้ํามันอนะ่ะเพราะชะาพระดํารัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคําจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่น ไปที่ทุ่งจอครั้งที่แล้วเนี่ยได้คุณมณชูเลยแหละนันะเท้าเขาแตกลึกไปเลยนะจนเป็นแผลนี่นะก็ต้องทาน้ำมันทานอะไรเนี่ยนะนี่นเป็นแผลขนาดนั้นเลยแหล ะ, <น>ะคือคนที่ขาไม่แตกนั่นต้องเป็นคนที่ฝ่าเท้าเนี่ยเหงื่อออกแต่ถ้าคนที่เหงื่อไม่ออกฝ่าเท้านะมันจะแห้งแห้งในที่สุดก็ฝ่าเท้าจะแตก สรุปไปถึงเท้าหมดแล้วใช่ไหมตั้งกต่หัวจรดเท้านี่มาพิจารณาได้หมดเลยบัดนี้ร่างกายนี้เป็นเช่นนี้คร่าครา่าเป็นแหล่งที่อยู่แห่งทุกข์เป็นอันมากานะตอนนี้ก็ชราแล้วใช่ไหมทุกสารพัด ท, ทุกข์ก็ประดังลงมาในกายเนี่ยนะมีหัวก็ปวดหัวไล่ไปเถอะทุกอันเนี่ยปวดได้หมดเลยปราศจากเครื่องรูปไหล่เพราะเป็นเรือนชราเนี่ยนะเรียกว่าเรือนคนแก่เลยแหละก็บวชแล้วก็ไม่ให้แต่งตัวแล้วใช่ไหม เพราะนี่นางกล่าวตอนที่บวชแล้วนะมันก็เป็นเรือนแห่งชาราพระดารัตของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคําจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นเพราะฉะนั้นพระดำรัตของพระาศาสนาของข้าพเจ้าจึงเป็นสัจวาจาของพระพุทธเจ้าผู้เป็นสัจวาทีนะคนเอ เชื่อว่าตรัสแตความจริงเพราะทรงทราบสภาวะตามความเป็นจริงของธรรมะทั้งหลายโดยชอบนั่นเทียวจึงตรัสคือเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบหากลายเป็นอย่างอื่นไปไม่ะนะจริงแท้เลยนะว่าศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยเกิดมาแล้วก็นําไปสู่ชราและมรณะเนี่ยนะพระเทเรทพบทวอนอณิจตตาความไม่เที่ยงในธรรมที่เป็นไปในภูมิสามทั้งหมดเนี่ยนะ ก็ถ้าพิจรารณาภายในอย่างนี้ได้แล้วภายนอกทําไมจะพิจารณาไม่ได้ใช่ไหมคือชารานี่มันใกล้อะไรชารากับมรณะนี่มันของคู่กันเลยใช่ไหมไอ้ชาราแบบนั้นเนี่ยชีวิตตินซีมันขาดลงอ่ะนะมรณะก็เกิดขึ้นนั่งรถมาด้วยการยมก็เล่าให้ฟังว่าที่ข้างๆบ้านเขานะอู้เป็นคนสวยมากเป็นนางงามประจําหมู่บ้านเหมือนกันอยู่มาไม่นานสามีก็เอาเอตมาฝาก ตอนหลังเนี่ยพร้อมมากเลยว่างั้นแล้วก็ตายลงพอตายลงนะเขาก็โอ้ไปแต่งหน้าศพซสวยเลยครับว่างั้นนะนก็ดูอีกสวยอีกกันได้นะท่า้าพิจารณาแบบนั้นบ่อยๆก็ก็จะเห็นชัดนะนะคือเรื่องราวเหล่านี้ถ้าเราเอามาตรึกเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆนะถามว่านำไปสู่ความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดได้ไหมได้อยู่แล้วเนี่ยนะเป็นไปเพื่อละความเพลิดเพลินได้ไหมได้เพียงแต่ว่า การพิจารณาหรือการคิดตามพระอริยเนี่ยนะปุถุชนไม่ชอบคิด น, นะไม่อยากคิดตามแบบนั้นเดี๋ยวจะว่าอัปมงคลบั่งเดี๋ยวอันนั้นบ้างเดี๋ยวอันนี้บั่งนะก็คือขัดขวางให้ตัวเองไม่ไม่เจริญกุศลธรรมเท่าที่ควรจะเป็นเ น, นี่ยนะอนนะผู้นนการบอกว่าไม่มีอุปนิสัยนะนี่ทํอยังไงที่จะให้มีอุปนิสัยล่ยะคิดไม่ได้นะ ยิ่งคิดมากโทสะก็ยิ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยนะดีไม่ดีรีบเขาบอกว่านางแบบบางคนเนี่ยนะพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยเยียวยาไม่ขึ้นแล้วฆ่าตัวตายเลยคําว่าเยียวยาไม่ขึ้นคือทําให้สวยแบบเดิมไม่ได้แล้วนะทําใจไม่ได้ที่ที่ตัวเองความสวยมันลดลงเนะี่ยก็เลยต้องฆ่าตัวตายซะก่อนอ น, นะนะแล้วคิดหรือว่าศพมันจะสวยก็ไม่คิดให้มันเลยเไปศพสวยได้ยังไงเนี่ยนะ ก็ทำใจไม่ได้นะคือสภาพจิตเนี่ยนะถ้าดูมันวิจิตจริงจริงนะมันยึดถือเอามากๆเลยในรูปประขันอันไม่ควรแก่การยึดถือซึ่งรูปประขันทั้งหลายมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกสารพัดทุกอะนะแต่ขนาดนั้นก็เอาอะไรกับตมหาเนะ<ม>เพราะฉะนั้นเมื่อนางพิจารณาสังขารทั้งหลายในภูมิสามโดยความไม่เที่ยงเป็นหัวข้ อ, อยางนี้นะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกอะนะ ก็ความชราอย่างนี้มันจะจะกล่าวได้ไหมว่าเป็นความสุขก็กล่าวไม่ได้แล้วใครมีอํานาจนะที่สวยแล้วก็อย่าชราที่ชราแล้วก็อย่าตายใครมีอํานาจจริงบ้างไม่มีอันนี้แหละเรียกว่าอนัตตาในอัตภาพนั้นตามแนวอ น, นิจจาลักษณะขมักขม้นเจริญวิปัสนาอยู่ก็คือการพิจารณาอย่างนี้แหละคือการเจริญวิปัสนาใช่ขมักขม่นในการคิดเรื่องนี้เอาเป็นงานเป็นการเลยเป็นอาชีพเลยแหละ ก็บรรลุปเป็นผ้าอรหันต์ตามลำดับมันันก็ก็เป็นผ้าอรหัน์รูปหนึ่งที่เราทั้งหลายต้องต้องกราบต้องไหว้เลยแหละนั้นก็ถ้าหากว่าใครไม่ประมาทเนี่ยนะหมั่นเจริญโดยที่กำหนดรู้ทิศทางเข้าใจโครงสร้างของคำสอนรู้ว่าวัตถุประสงค์ของคำสอนเป็นยังไงวิธีการเจริญเป็นยังไงแล้วก็เจริญให้มากให้บ่อยให้ต่อเนื่องเนี่ยนะแต่อย่าลืมสังเกตนะท่านพิจารณาในภูมิสามนะ ไม่ใช่เฉพาะภายในอย่างเดียวพิจารณาภายนอกด้วยพิจารณาทั้งภายในทั้งภายนอกด้วยมันคุณบุญชูก็ไม่ต้องเหงาไม่ต้องกลวงเหงาแล้วมันจะเขาบอกว่าถ้ารักษาหายก็จะได้มาบําเพ็ญสมณธรรมถ้าไม่หายก็จะบําเพ็ญสมณธรรมเพราะฉะนั้นก็จเจริญไปเลยเนี่ยนะตอนที่มันตอนนี้แหละมันมัต้องคิดเรื่องนี้ให้มากๆ มีบางท่านนะคิดเรื่องเรื่องตายมากๆอ่ะนะคิดเจริญมรณานุสติมากมากเนี่ยถ้าเขาฝันเขาฝันเห็นแต่ป่าช้าอะนะมีแต่ป่าช้าไปทุกขนทุกแห่งหมดเลยอะ่ะถ้าถ้ า, ถ, าถ้าเจริญมรณานุสติเอาไว้ให้ดีแต่สัตว์ทั้งหลายโดยทั่วๆไปก็ทําใจไม่ได้ใช่ไหมถ้านึกถึงป่าช้าบ่อยๆ ก, ก็ทําใจอีกไม่ได้เพราะเดี๋ยวตำหามันจะลดลง แปลว่าโดยพื้นฐานนี่ยินดีในตันหาอามากๆกันนะไม่กล้าคิดแมก้กระทั่งป่าช้าแต่ถ้าคิดถึงป่าช้านะสติปัฏฐานสูตรก็ก็เข้ามาเลยใช่ไหมเหมือนอย่างว่าสรีระที่เห็นในป่าช้านั่นแหละนั่นนะเธอเพิ่งน้อมเข้ามาสู่กายนี่แหละว่าถึงกายอันนี้เล่าก็มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วงความเป็นอย่างนั้นไปได้ก็น้อมไปพิจารณาทั้งภายในทั้งภายนอก ถ้าพิจารณารูปประคันอย่างนี้มากๆอ่ะ น, นะจะทราบซึ่งว่ารูปอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาใช่หถ้าตอนรูปมันสมบัติมันเพียบพร้อมดีไปหมดดีใจไหมดีใจถ้ารูปนี้มันเสียหายแม้แต่หน่อยเดียวอ่ะนะเช่นเริ่มมีรอยขีดรอยข่วนนะสมมติในร่างกายเรานะตรงไหนมีรอยขีดรอยขว่วนตรงนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกขากายวิญญาณก็เกิดมาถ้ามันเสียหายไปมากๆขึ้นมากๆขึ้ น, นแล้วเสียหาย บางตำแหน่งเนี่ยนะโอ้กุมบุญชูมาฟังทำไม่ได้เลยเมื่อวานเห็นไหมมันกัดหูอย่างเดียวเนี่ยมันรวนไปเรื่องอื่นหมดอะเห็นไหมบางคนเนี่ยมันกัดตาอย่างเดียวมันก็รวนไปเรื่องอื่นหมดนะั้นมันกัดที่ใดที่หนึ่งนะเอาเถอะเอาซะจนมีปัญหาจนทําอะไรไม่ได้เลยแหละเห็นไหมอา่าบวชเมื่อแก่แล้ ว, ว, ลวคือคือไม่ทราบว่าแก่แค่ไหนนะแต่ก็ เข้าใจว่าบวชไม่ตม่ํากว่าอายุหกสิบแล้วจึงได้บวชเพราะว่าบวชคือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยตายก่อนพระพุทธเจ้าป ร, รินิพานแปดปีเนี่ยนะแล้วก็ตอนพระพุทธเจ้าปีพระพุทธเจ้าป ร, รินิพานนางอัมพปาลีเนี่ยยังไม่ได้บวชนะแล้วก็สมสัย <segundo> ที่พระเจ้าพิมพิสารยังเป็นหนุ่มเหมนะ ยังเป็นหนุ่มยังได้ไปเที่ยวนางอัมพปาลีอยู่ก็แสดงว่าตอนนั้นก็อายุสักตอนที่ก็ห้าหกสิบปีแล้วล่ะนี่นะห้าหกสิบปีแล้วพันธก็บวชตอนอายุมากพอสมควรเลยแต่ก็ผ่านการบวชมาตั้งตั้งหลายชาติแล้วนะแต่ให้รู้ว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งความ มัวเมาจริงๆเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทรุ่มหลงคิดดูนะว่าถ้าเราไม่สั่งสมอุปนิสัยแห่งการพิจารณารูปขันธ์เอาไว้ให้ดีเนอัธยาศัยนางเขมาก่อนบวชอาจจะเข้าสิงก็ได้